นี่คือาการเปิดทําที่ถูกผิดภาดออนไลน์ทางเพียวธรรม o m อทคมาพระไบบูญที่พิบุญโตทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลาบนมัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เป็นตอนเอพิซอดที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอ G56 ครับ56าสิบหกในสัปดาห์นี้เราก็คิดว่าเราจะยังอยู่ในเรื่องของทีมอธิบด4 อิทธิบาท4ี่คือเรื่องของบาดฐานแหความสําเร็จในอยู่ในช่วงเดือนแรกหรือว่าเดือนที่2ในควอเตอร์แรกของปีเนี่ยมาก็มีความคิดว่าเราควรจะต้องคืออย่าเถาะแท้อย่าเถาถอยอย่าอ่อนแอไปตามกระแสของโลกที่มันมันวุ่นวายมากตอนเนี้นะครับ้อจริงๆครั้งซ้ายขวาหน้าหลังอินุงตุงนางข้อมูลผิดมาดูเหมือนถูก ข้อมูลถูกเอ๊ะทำไมมันฟังเป็นผิดผิดเรื่องชาทางไหนดีมันงงไปหมดแล้วมึนตึงมากเลยตอนนี้ครับครับแล้วเราจะทํายังไงเออครับทํายังไงดีครับท่านรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยเหตุการณ์บางอย่างจริงๆเราเราถูกสอนมาว่าผิดนะครับแต่ว่าเอ๊ะทําไมเดี๋ยวนี้มันมันมันเหมือนมันมันมันถูกอย่างเช่นวันนี้เพิ่งฟังข่าวเนี่ยมีข่าวเรื่องของเ้าทําโพลสารวจเขาบอกว่า มีข้อหนึ่งเขาถามว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่าทำงานประสบความสำเร็จแต่จะมีการคอร์รัปชันบ้างเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าเห็นด้วยโอ้ก็งงว่าเอ๊ะมันแปลว่าแปลว่าผู้คนยอมรับกับการการคอร์รัปชันเนี่ยว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็โอ้แบบว่ารู้สึกรู้สึกว่าสำเร็จสำเร็จนี่คือคาว่าที่ยังไงสาเร็จแต่ ใช่ไหมเกณฑ์เกณฑ์นในความสําเร็จของพระพุทธเจ้าเราก็วัดที่กุศลธรรมทั้ง10อย่างใช่ไหมก็ตั้งแต่ศีลใช่ไหมแล้วก็สัมมาวาจาแล้วก็พวกไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีมมมพยาบาทไม่มีความอภิชาความเพ่งเล็งครับงนั้นเกณฑ์ในการวัดของ พ, พุทธเจ้าก็มีอยู่แล้วครับทีนี้เรื่องนี้อารมาจริงจะต้องมาเน้นเน้นย้ำว่าเราอย่าไหลไปตามกระแสเรา คือมันอาจจะมีคนก็อาจจะเห็นไม่ถูกนะครับแล้วก็อาจจะมีความคิดที่เป็นต่างๆนานาใช่ไหมเราก็เคยพูดเรื่องของหนอนไปแล้วรแรากพูดเรื่องของเทวดาไปแล้วเราก็ปอยากไปตามนอนอย่างเงี้ยนะเราตั้งมั่นในความดีแค่นั้นเองอแล้วก็คนส่วนมากในโลกเนี่ยเขาก็จะไปไม่ดีกันอยู่แล้วอ๋อนี่เป็นธรรมดาใช่ไหมครับเออเป็นธรรมดาคือสัตว์ในสมัยเนี้ย ไปสู่กําเนิดเตระฉานเนี่ยหรือเป็นพวกอาบายเน่มีมากพระพุทธเจ้าบอกเ mm hmm. นื่องจากความที่เขาไม่รู้อริยสัจสีแล้วก็สัตว์ที่จะไปสู่สุคตินี่มีน้อยเนื่องเพราะรว่ามารู้อริยสัจสีเพราะฉะนอะไรที่มันวุ่นวายเนี่ยเราเข้าปุ๊บหาลมหายใจทันที mm hmm. เข้าปุ๊บหาลมหายใจ ท, ทันทีอย่างเวลาที่พายุหมุนเนี่ยนะทอร์นาโดยอย่างเงี้ยมันมันหมุนเร็วจี๋เลย ยิ่งกล้จุดศูนย์กลางเท่าไหร่ ย, ยิ่งเร็วจีแต่พอเร็วจุดศูนย์กลางปุ๊บนีบ่นิ่งสนิทเลยนะเช่นเดียวกันนะเรารับฟังข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ฉบับนั้นโซทีวีโอ้ยมีรู้มีกี่ช่องแล้วตอนเนี้ยมีทั้งจานดําจานแดงจางเขียวจางเหลืองทุกคนพูดคนละอย่างหมดเลยครับทั้งทงที่พูดภาษาเดียวกันนะเราข้างในปุ๊บเราต้องนิ่งเลยนะให้อยู่ในลมหายใจวับเลยนะเราจะต้องมีความเข้าคล่อง ชํานาญในการเข้าลมหายใจออกลมหายใจอย่างนี้มากชํานาญในที่นี้หมายความว่าถ้าเราได้รับสิ่งที่มาผ่านทางหูใช่ไหมอันนี้ภูริจ่าบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่อดทนนต่อสิ่งที่มากระทบทางหูได้นี่จะเป็นผู้ที่สามารถเข้าสมมมาสมาธิได้แล้วก็ไอากา ร, รที่เราเข้าสัมมาสมาธิได้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนะในการที่จะทาให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือจิต นึ่งใน6อย่างจะได้ไหมที่เราพูดถึงว่าคนเราจะมีอํานาจเหนือ จ, จิตได้คือเราไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นนี่ใช่ไหมใช่ครับเราจะต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าฉลาดในการออกฉลาดในการดารงอยู่อย่างเงี้ยนะัถ้าฉลาดในการเข้าคือเราต้องอดทนไว้ครับมันย้ํากันอีกทีหนึ่งเลยก็ได้ว่าสัทธันธระกับเนี่ยอยู่ตอนหน้าเรามันเป็นธรรมดาที่ว่าโลกนี้มันจะแย่ลงไป มันเป็นธรรมดาที่คนที่มีเสียงดังเนี่ยเป็นคนที่เขาทาไม่ถูกเป็นธรรมดาที่คนที่จะมีชื่อเสียงขึ้นมาแี่ยกลายเป็นคนที่แบบเอา้าทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมันทุกวงการไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวงการโอ้ยมันทุกวงการอต่ว่า ง, งั้นแต่เอาไปวงการเมืองการกีฬาการทุกวงกา ร, รต่ทุกวงการเออทุกวงการมันเป็นธรรมดา แล้วทําไงเราตั้งหน้าตั้งตาทําความดีต่อไปอชีวิตเราอยู่ไม่นานนะหมอเรศพงครับชีวิตเราอยู่ไม่นานาไม่เกินร้อยปีเออเอาคแค่ว่าตอนนี้คุณคุณท่านผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเฮ้เรามาจนถึงอายุบัตรนี้แล้วเนี่ยบางคนสามสิบสี่สิบห้าสิบเลยไปกว่านั้นก็มีใช่ไหมครับที่มันก็ไม่นานนะที่เรามาถึงจุดนี้เนนะใช่ไหมสิบปีนี้แป๊บเดียวเร็วครับ <อา S 2> ปัจจุบันนี้หนึ่งปีเร็วมากเลยครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรา เราก็เหลืออีกไม่ไม่นานไม่ไม่นานครับเอราควรจะทํำไงเราควรครีบเร่งทําความดีรีบเลยรับรีบเร่งความความดีเราเวลาเราอยู่ไม่มากเราก็รีบทําความดีซัโลกนี้มันก็แค่พปบบโป๊บไปชีวิตที่จะอยู่ยืนยาวนานกว่านี้เนี่ยพระเจ้าให้เคยระลึกถึงความเป็นเทวดาครับเออถ้านึกถึงพบที่เป็นเทวดาาเนี่ยอนึกถึงพบที่เป็นเทวดาเนี่ย ก็จะเป็นพบที่มีอายุยืนยาว น, นานกว่าบนโลกนี้มีความสุขมากกว่าไม่มีเรื่อยจะต้องมาเบียดเบียนกันในลักษณะนี้นะมันก็จะสบายกว่าให้เราระลึกถึงตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทวตานุสติล ะ, ะเทวตานุสติเทวคือสติระลึกถึงเทวดาดาในความที่ความดีความงามของเราตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไปได้อย่างนี้นะเรวก็ในในเรื่องนี้ถ้าเราขยันฟังทำอยู่เรื่อยๆ สื่ออื่นๆเราเลิกรับไปเลยเลิกไปเลยรับฟังข่าวสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาเวลามาศึกษาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราจะดีกว่า อ, อย่างแค่อย่างพระสงฆ์องคเจ้าอย่างเงี้ยับหนังสือพิมพ์เราไม่อา่านใช่ไหมทีวีเราไม่มีเโทรศัพท์มือถือนี่ก็อุ้ยน้อยมากที่จะรับสายแล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ดา่าวน์เนินก็จะก็จะรับข่าวสารพวกนี้น้อยขณะว่ารับน้อยแล้วนะ ก็ยั้งไม่ไหวมีโยมาวัดหนิ่มก็มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังอยง้นอย่างนีบอกเล่าเล่าฟังให้ครับเดีย๋ยวนี้มันมาทุกกระสาบเลยครับ อ, อขณะว่าไอ้ไอ้เขาเรียกว่า ไ, ไรเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับเราว่าเราจะไม่ได้อ่านอะไรนะมันนั้นมีเข้ามาในฟีดเราได้ยังไงก็ไม่รู้<อ>พวกที่เราอัพแอดลับแอดมาเนี่ยนะ<ช>มันก็มาโปรเข้ามาในฟีดเราอยู่ดี ม, มันก็เลยมันก็เลยว่าเราจะต้องรู้จักเป็นผู้ที่ปิดกั้นอินสี โดยเฉพาะยิง่งผู้ที่เป็นฆราวาสเนี่ยโอลยมรับผัสสะมากกว่าพระนี่เป็นสิบเป็นร้อยเท่าเลยบางเงินาาาบางว่าเพราะฉะนั้นผัสสะที่มากระทบตรงนี้เนี่ยเราจึงต้องระวังให้ดีมาเนี่ยมันไม่เอาทางตาก็ทางหูนะมอรักแต่ต้องย้าอีกครั้งหนึ่งเลยมันไม่เอาทางจมูกก็เอาทางลิ้นทางไกาหรือทางใจมันจะเอาเราให้ได้มานะครับมันไม่เอาทางหนึ่งก็เอาทางหนึ่งทวารทั้งหมันได้คนหนึ่งแล้วนะมันจะต้องไปหาอีกคนหนึ่งเพราะว่ากับดักมันมีอยู่อืใช่ครับ คนหนึ่งเขจะชักชวนกันไปนะชักชวนเราไปทํางงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนเห็นว่าดีๆเนี่ยเราจะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาใ น, นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากครับต้องมีอินเสียสังวรใช่แล้วก็กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ระบุไว้ให้นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของอกุศลกุศลธรรมทั้งทั้งสิบอย่างนั่นแหละคือบางทีความความชั่วเนี่ยมันแอบแฝงมาใน ในรูปแบบของความดีอืมอันนี้เนียนนะครับเข<อ>้าใจว่าใช่ใช่คว่าเ น, นเนียนมากมากาคือบางทีเนี่ยเราเห็นว่าโอ้อันนี้ดีนะอย่างอาง่ายๆขอพู้ดหน่อยถเถอะมันมีหลายตัวอย่างเอาอ น, นี้ขอตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าคุณหมอกคุณรักในหลวงอย่างเงี้ยแต่คุณใช้วาจาหยาบคายร้ายกาในการที่จะไปด่าคนที่เขาไม่รักในหลวงอย่างเงี้ย ออเถ้าคุณถ้าคุณจะต้องการพูดถึงความดีของบุคคลในบุคคลหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทาการที่จะยกย่องบุคคลในบุคณณบคลหนึ่งเนี่ยเอาความดีของเขามาพูดเนี่ยคุณเป็นสัตว์ปรุษลในขณะที่คุณเอาความชั่วของคนอื่นมาพูดเนี่ยคุณเป็นคนชั่วนะเป็นอสัตว์ปรษอืดเพราะฉะนั้นความชั่วขคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ให้ปิดไปหรือพูดเนี่ยพูดนิดเดียวน้อยที่สุดแล้วก็พูดเนี่ยก็พูดด้วยวาจาที่เรียกว่าอ้อมค้อมหน่วงเหนียวลดย่อน ใช่ไแทนที่จะพูดหยาบก็ไม่ต้องพูดหยาบก็ได้แทนที่พูดมากก็พูดน้อยก็ได้อย่างนี้เป็นตอนนะครับหรือว่าอย่างอย่างเราจ ะ, ะพูดถึงพระสงฆ์เนี่ยบางรูปดีบางรูปไม่ดีอย่างเงี้ยครับคุณไม่ต้องพูดถึงรูปที่ไม่ดีมากก็ได้คือคือรูปที่ไม่ดีเนี่ยเราพูดถึงน้อยๆหน่อยก็ได้น้อยๆ<ะ>ใช่ครับพูดรูปที่ดีๆเราก็พูดถึงมากๆหน่อยก็ดีเราจะเป็นคนดีอันนี้คนที่ไม่ดีเนี่ยพูดก็พูดมาก แล้วยังพูดด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจอีกมันจะไม่ได้นะ ม, มันจะไม่ได้นะแล้วบอกว่าเราเป็นผู้รักษาความดีในขณะที่ปากเราพ่นสิ่งเปเหม็นออกมามันไม่ได้นะหมอท่านบมันไม่ได้คนระับมันขัดกันนะครับมันไม่ได้เลยถ้า<ช>ปากรเรายังพ่นของเปนหม็ น, มนแล้วเราจมูกเราไม่ได้กลิ่นของของของเหม็นที่ออกมาเองแล้วบอกตัวเองเป็นผู้รั้วลมหา่ใจปัดโถเอ้ยมันไม่ได้ออืเราต้องพูดชัดเจนนะว่าเฮ้ยเราเป็นผู้รักษารมหาใจของเรา เพราะถ้าปากเราพ่นของเหมนเราต้องหยุดหลายคนที่มีสติรักษารู้ลมหายใจเนี่ยพอรู้ลมหายใยแล้วมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องปุ๊บเข้าหาลมหายใจละหยุดละหยุดทุกอย่างเลยใช่ไหมเป็นผู้ที่มีสติระลึกอยู่ได้อยนี้ถึงจะถูกต้องแล้วเวลาที่มีสิ่งมากระทบเนี่ยมรัฐพง์คถ้าเราสวนกลับไปด้วยวาจาที่ไม่ดีหรือว่าเราปรุงแต่งสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาเนี่ย นนีก็เป็นกรามองเรานะแล้วถ้าเราเรายังไม่พ้นเรายังไม่พ้นจากนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนะอันนี้คุณสร้างกรรมเพื่อที่จะไปสู่ตรงนั้นนะอืครับสมมติคุณจะด่าในภายหลังคุณด่าคนที่เขาก็ไม่ดีอย่างเนี้ยับมันมันก็มันก็ไม่ดีพอกันอ่ะเออใช่ครับอที่เราเคยพูดว่าคุณจะต้องเอาน้ําดีล้างน้ําเสียน่ะถูกต้องครับคุณจะเอาน้ําเสียมาล้างน้ําเสียไม่ได้นะ เอของไม่ดีเนี่ยเราเราอย่าไปเอามาพูดบ่อยๆของไม่ดีเนี่ยคุณต้องรีบล้างออกล้างเช็ดแล้วก็ทิ้งมันไปเลยอย่าให้มันมา ก, กวนใจเราอยู่แถวนี้อยู่ใกล้ๆมันก็เหม็นอนะ่ะจริงครับเราไม่ต้องพูดถึงมันเลยพูดถึงนิดเดียวทิ้งไปเลย อ, อย่าให้มันมากวนใจเรามากครับนะ ถ, ถ้าเราหนีได้หนีพระพุทธเจ้ายังเคยบอกหนึ่งถึงภิกษุดีนะ พิสูจดีดี ด, ดีแสนดีเนี่ยนะเออถ้าไปแค่ว่าไปไปอยู่ไปคุยด้วยกับพิสูจไม่ดีพิสูจน์ไม่ดีเราไปคุยกับเขานิดเดียวแต่เราไม่ได้ไปไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะสิ่งที่เขาบอกสวัสดีแล้วสวัสดีตอบแค่นี้คนอื่นเห็นเนี่ยนะเขาก็จะเอาเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าเมาวรวมเออเมาวรวมไปหมดเลยนะครูรเชาเคยเปเรียบเทียบกับไอ้ไม้เผาเชิงตะกอนะไม้หอบโฉบหัวก็ด้านหัวก็ ติดไฟด้านท้ายก็ติดไฟตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระมันจับตรงไหนไม่ได้เลยจับ<อ>ตรงรหัวก็ร้อนมือจับตร ง, รตรงไ้ายก็ร้อนมือจับตรงกลางก็เหม็นติดมือครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องคอยระวังตรงนี้ให้ดีแล้วมันแอบแฝงมามันเนียนมากครับมารเนี่ยมันไม่เอาช่องไหนก็เอาช่องหนึ่งนะอาจารย์รมาจะบอกให้ถ้าเราเห็นว่าโอ้อันนี้มันเป็นวาจาหยาบคายร้กาดอันนี้เราไม่เอา อ น, นี้มันมี๊แฝงมีฮิตเลนจินดามีอพิชาชความเบ่เเงเลงมีความแฝงอยู่อันนี้เราไม่เอาอย่างเงี้ยเราเราให้มีความมั่นใจในคําสอนพระเจ้าครับ เ, เราก็ในสิ่งเหล่านีนเน้เราต้องค่อยๆสังเกตไปก็ค่อยดูค่อยๆฟังนะค่อยๆพิจิตพิจรนารณาโดยแยบคายบรุระเจ้าบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อของชนเราอื่นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรามีการก็เรียกว่า โยนิโสมันสิการคือไม่พิจารณาโดยแยบคายโดยแยกคายครับสวยเลยนะคือเราจะ<ย>เป็นจะเป็นไป <ตก S 1> เพื่อบิด<ง>าทิฏฐิครับแต่ี้ขณะเรี่ยวกันะตรงกันข้ามนะถ้าเรามีการคนอื่นเขาพูดอะไรมาวอบเนี่ยเออดีไม่ดีเราฟังไว้ก่อนนะเรามีการพิจารณาโดยแยกคายเนี่ยอันนี้จะเป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิอันนี้ดีได้ครับ แสดงว่าโยนิโซมนนัสิการนี่ก็สำคัญมากใช่ไหมครับสำคัญสาคัญเราก็พอมีสมาทิฐิมาแล้วเนี่ยไอ้มรค์มีองค์แปดทั้งหมดเนี่ยมันจะตามมาด้วยกันหมดเราก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าไปสู่กระแสแห่งนิพพานได้เราจะรอดพ้นจากไอ้เรื่องชั่วๆเรื่องที่อะไรที่เราทํามาไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันรอดพ้นได้แต่บางทีในในปัจจุบันเนี่ย มันมีหลุมมันมีบอ่อมันมีอะไรต่างๆเยอะเยอะเยอะมากในการพายบางทีเราอาจจะตกไปแล้วครึ่งขาอย่างเงี้ยอาจจะตกแล้วครึ่งตัวอย่างเงี้ยมช่ไถ้าณวินาทีนั้นคุณปล่อยวางได้คุณบรรลุเป็นสนตบันคุณรอดพ้นเลยนะอออื ค, คุณต้องทําให้พ้นก่อนเข้าใจไหมครับครับท่านอ่าตอนนี้มีมีคําถามของคุณกมลชัยนะครับอืคือเอตรงตรงกับเมื่อข้อความก่อนหน้านี้นะครับคือคจะคือท่านถามว่าคําว่ารู้ ในหนังสือพุทธวจนะเรื่องอาณาปานสติเช่นว่าการหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้อคำว่ารู้เนี่ยคือรู้อย่างไรแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนนะครับอ๋อมันมีอยู่สองสามอย่างอยู่คือคําว่ารู้ในที่นี้ก็บางทีก็ใช้คำว่าสติมาอีกคำหนคือสติเนี่ยสัมปชาญโนสติมาอีกคํานึงก็ใช้คําว่าประชานาติประชานาติซึ่งทั้งหมด อย่างเช่นคำว่าปัญญาติอย่างเงี้ยก็แบบว่ารู้พร้อมอรู้ตัวทู่พร้อมใช่ไหมสติคือความระลึกได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราจะอาจจะรู้ตัวทู่พร้อมในลักษณะว่าในเรื่องของยีเรียบดก็ได้อันนี้เรื่องของกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งกายทั้งปวงนี้พระเจ้าก็เคยพูดถึงเรื่องของยีเรียบด ท, ทั้งทั้ง4บ้างอะไรต่างๆเงี้ยนะแล้วก็ในคําว่ารู้อย่างเงี้ย ก็คือคําว่าเระลึกถึงก็ได้เระลึกถึงก็ได้นึกถึงอันนี้ก็แปลว่ารู้อย่างนี้ได้เหมือนกันอคือสมมติว่าเราจะเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นปากกาอันนี้เป็นโคมไฟเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่าอ๋ออันนี้คือปากกาอันนี่คือคมไฟนะอย่างเด็กแรกๆเนี่ยเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าคมไฟนี้เรียกว่าปากกาเพราะฉะนั้นความรู้ของเขานี่ก็คือวิญญาณในการที่เขาไปรับรู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้อย่างเงี้ยนะ แล้วเขาก็เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้สัญญาอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นการรู้ตรงนี้เนี่ยมาคิดว่าเราก็แค่ให้เป็นผู้ที่นึกถึงลมหายใจเนี่ยคือคำหมายของคาว่าสตินึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือว่าคุณมารู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆ เหมันทําอะไรอยู่เช่นขับรถอยู่ก็รู้ลมหายใจบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใช่อีเรบทครับมันนึกถึงลมหายใจมันนึกถึงลมหายใจอย่างนี้ครับ <ral: S 2> <apo? S 1> คืออย่างคําว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยที่พระเจ้าพูดประโยคตรงนี้เนี่ยนะเพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งเนี่ยเพื่อต้องการจ ะ, อะบอกว่าคือไม่ว่าจะเป็นลมหายใจประเรภทไหนเนี่ยเราก็รู้ได้โดยที่ไม่ต้อ ง, งบังคับแต่ไม่ต้อ ง, งบังคับว่าให้มันสั้นให้มันยาว หรือให้มันเป็นอย่างไหนก็เป็นอย่างเป็นธรรมชาตินะเราก็ให้รู้อยู่ได้คือบางทีเนี่ยลมไาใจมันบางคนสั้นบางคนยาวในแต่ละวันนมันไม่เท่ากันด้วยของแต่ละคนครับอย่างเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตื่นเต้นอย่างเงี้ยข่าวด่วนมาเลยโอ้โหลมหม่ใ่เร็วเลยเราก็รู้ได้ใช่ไหมเวลามีเรื่องสบายใจเกิดขึ้นเราก็ลมไม่ใจเข้าหออกเช้าเราก็รู้ได้เหมือนกัน ขนาดนี้นะครับอย่างตอนเราออกกําลังกายเราหายใจถี่เนี่ยเราก็รู้รู้ลมได้เหมือนกันใช่ใช่มีนักวิ่งมาราธอนหลายคนเขาก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่รู้ลมหายใจเหมือนกันอืแต่ว่าลมหายใจของเขาก็เป็นธรรมชาติก็เราก็ไม่ได้ต้องบังคับให้เข้าออกทางไหนด้วยครับอเขาก็รู้ได้นะครับอย่างนี้จะถือว่าได้ทั้งการออกกําลังกายและกําลังใจกําลังจิตนะครับอ ใช่ใช่ครับทีนี้มีคําถามต่อไปครับมีคําถามต่อไปของท่านผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับอืก็คือต่อเนื่องจากคําถามที่คุณปณิทิตได้ถามในคราวก่อนแล้วเราก็ได้ตอบไปเรียบเรียร้อยแล้วเกี่ยวคุณปณิทิตก็ได้เข้าใจอยู่เนาะเรื่องที่ใช้คำว่า think กับ reflect อันนี้เป็นประสบการณ์ของอาตมาเองแต่ที่เราให้เราก็มาพยายามที่จะเข้าใจทําไมบางทีเราคิดแต่มันคิดไม่ออก แต่บางที่เราจิตเราเป็นสมาธิเหมือนเกิดส่องหน้ากระจกตัวเองเพราะคําว่า reflect ภาษาอังกฤษเนี่ยรากศัพท์มาจากคำว่าคุณสะท้อนกระจกหน้าตัวเองอ๋อครับทำไมคุณส่องดวงเงาหน้าของตัวเองซึ่งไปตรงตรงกันกับอุปมาอุปไมของบรรดาชาที่ว่าให้เราเป็นผู้ฉลาดในวาระจิตของเรานะคือเหมือนกับชายหนุ่มหญิงสาวที่ส่องหนดูหน้าตัวเองนะอ๋อตรงนี้มันคือ reflect นั่นเองมันต่างกับคำว่าติ n กันนะคือคําว่าใช้ความคิดเฉยๆครับ นนแล้วกถ้าอ่ถ้าอันนี้มีมีหลายคำนะอย่างถ้าเราไปศึกษาภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพบว่าเห็นคำว่า reflect นี่ก็อันหนึ่งใช่มใช่คมีคำอีกคหนึ่งคือชาญ i n ที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งี่พุทธเจ้าใช้คำว่าสงัดจากกามสงัดจากอากุศรทำทั้งหลายเนี่ยคำว่าสงัดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า e c l u d e d e c l u d e d s e c l u d e ซึ่ง e c l u d e d เนี่ยมันเป็นมีรากศัพท์มาจากคาว่าแมลง ใช่อ่าซึ่งมันมีความหมายว่าแม้แต่เสียงแมลงนิดเดียวเนี่ยงี้งักงักห้อยอะไรต่างไม่มีเลยงเงียบสงัดขนาดนั้นในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราสงัดจากการสงัดจากอคุสนามหลากหลายเนี่ยมันต้องเงียบมิสซิลี่ขนาดนั้นเลยคือเงียบกริบเลยนะไม่มีไม่มีเสียงของเจ้าพวกเอียงเอแมลงอะไรอกลางพยาบาทเบียดเบียนพวกนี้ต้องไม่มี นี่เปรียบเทียบกับความสงัดจากกา ร, รสงัดจากอคุโสลธรรมทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าท่านทั้งหลายที่เรียกว่าเข้าใจสองภาษานะหรือว่าเข้าใจภาษาอื่นเนี่ยการศึกษาภาษาอื่นด้วยเนี่ยก็จะจะทำให้มีความเข้าใจมุมมองเพิ่มอีกนะจริงรนี่คือประสบการณ์จากตัวตัวเราเองอก็เลยนำมาแบ่งปันให้ฟังครับดีครับท่านเพราะว่ารู้สึกแฟนรายการเราก็ มีความสามารถทางภาษาอังกฤษกันเยอะนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ต่างประเทศหลายคนเลยนะครับแล้วก็ทําให้ประเด็นที่2จากเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยนะคือเรื่องแรกคือเรื่องของ reflectivity ใช่ไหมเรื่องที่สองคือ include กับสังกัดใช่ไหมเรื่องที่3มคือคําว่า skeptical กับ question เนี่ยก็ไม่เหมือนกันในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคําว่า skepticism ใช่ครับความระแวงสงสัยซึ่งจะไม่เหมือนกับคําถามทั่วๆไปเพราะฉะนั้นวิจิกิจชาร์เนี่ยคือ skeptical <Ske> ในขณะที่ความสงสัยธรรมดาก็ question รรา <Question. S 2> คือคำถามธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะมีคำถามได้แต่ถ้าคุณจะเป็นโสรบัญญัตคุณต้องวางไอ้เจ้า s k e p t i c คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งตรงนี้ให้ได้ อ, อันนี้รประเด็นที่จะแตกมาจาก เรื่อ ง, องคุณปณิทีที่พูดถึงคำว่าสิงกับ reflect นะสิงกับ reflect upon รครับครับคือคำถามของท่านผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยบอกว่าการที่คล้ายครวนกับสติปัฏฐาน4ี่คือท่านก็บอกว่าเรื่องการมีสติแล้วเดินมีสติกับการเดินเนี่ยเป็นการรู้สัญญาหรือเปล่าหรือเป็นการรู้รู้กลายนะครับอันนี้ก็เลยคือก็เลยผมคิดว่า คุณคุณมาแง้ความเห็นว่าไงผมคิดว่ากายคือในคันห้าเนี่ยกายก็คือกายสัญญาก็คือสัญญามันมันคือแยกกันคือจิตจะรับรู้แค่ทีละทีละส่วนว่ารู้อันหนึ่งแล้วก็อาจจะสลับเกิดอันนี้ดับอันนี้นะครับผมว่าครับเพราะฉะนั้นจะอันไหนก็ได้นะก็ไม่มีป็นหนาหรอกใช่ครับครับก็เลยขอรบรบควนท่านแจกแจงตรงนี้ได้ไหมครับก็ก็อย่างที่มรดงว่านะจะอันไหนก็ได้ ก็รู้ช่งอันหนึ่งกัแล้วกันไม่มีปัญหารู้กายก็รู้กายรู้สัญญาก็รู้สัญญาใช่ทีนี้รู้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าให้อย่าไปตามอย่าอะไรไปตามอย่าให้มีความเพลินในนั้นถ้าเราจะมีสติระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆก็ได้เหมือนกันอระลึกถึงการเดินก็ได้เหมือนกันก็ได้ทั้งนั้นไอเรื่องของการไหลปรุงแต่งต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่าอย่างเช่นว่า เดินปแล้วจะเดินท่าไหนาแล้วชั้นขาชั้นจะเป็นยังไง ร, รู้สึกเป็นอย่างงี้อะไรต่างๆอันนี้คือไหลไปละ<ม>อันนี้คือไหลปรุงแต่งต่อเนื่องครับหรือว่าไหลไปในสิ่งอื่นเช่นว่า เ, ออเดี๋ยวจะโทรหาคนนั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วจะทําอย่างนี้เดี๋ยวตอบไปจะทำอย่างโ น, น้นอันนี้ก็ปรุงแต่งไปละเพราะนั้นก็ถ้าเราอยู่ในกายให้มีกายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้เรามีสติ เป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงหรือว่าเราจะเวทนาเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงก็ได้ถ้าเราพูดถึงสติปัฏฐานเนี่ยภาษาอังกฤษก็ว่า for foundation of mindfulness คือบาดฐานของการที่จะมีมาระลึกถึงมาระลึกจิตได้เพราะฉนัถ้าเราจะเอากายมาเป็นฐานให้เรามาระลึกถึงคุณจะใช้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าถ้าจิตเรามันจะไหลไปในชั่วๆนะ คุณมานึกถึงเขายังดีกว่าเองถ้าคุณจะนึกถึงว่าจะด่าคนนั้นด่าคนนี้คุณมานึกถึงก็สอกตัวเองไปอืมครับมันยังดีกว่าอีกเพราะว่าไม่ให้ไหลไปเรื่องชั่วๆแค่นะครับพอเรามานึกถึงสอกเสร็จปุ๊บเอาตายละคนนั้นเคยมาตีสอกชั้นใส่ตาแม้เครียดมันจังเลยเอาคุณไปนึกถึงนิ้วชี้ไป อ, อ๋อ <c oughs> ก็จะได้ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องชั่วๆล พอพอนึกถึงซอกใช่ไหมถ้าเรายังนึกอยู่เนี่ยนะมันยังมีวิตกวิจารอยู่ถูกไหมพอมีวิตกวิจารปุ๊บมันจะไหลไปดันดีนะ จ, <c oughs> จิตเราจะไหลไปในอยู่ที่อศาสวะคุณเป็นยังไงอ่ะถ้าอศาสวัคุณมันฝึกมาอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะไหลไปในแนวแนวนี้ถ้าจิตของเราตรึกในทางใดมากเนี่ยจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมพอมันน้อมไปด้วยการอย่างนี้อย่างโน้นเนี่ยมันก็จะไหลไปในแนวทางที่อาสวะของเรามันฝึกมาอย่างนั้น พรเราหลาไปอย่างนั้นไงคุณรีบดึงมาเลยดึงไปอยู่ที่ไหนใช้กายก็ได้เราลึกถึงกายส่วนไหนก็ได้เอาลำไส้เล็กไปนึกถึงลำไส้เล็กล้วจะได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรบ้าๆ บ, า บ, าบาอๆเขาเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับคือเราเอาคืองัดทุกวิธีทางเอาครับ ส, สู้กับกิเลสเออไม่เอาด้วยเล่เอาด้วยก่อนครับไม่เอาด้วยลำไส้เล็กเอาด้วยลำไส้ใหญ่ เอาวิธีทางที่เราจะไม่ให้จิตเรามันไหลไปในทางไม่ดีเนี่ยนึกถึงคนนี้นคนนี้อะไรไม่เอามาด่ะเอา อ, อย่าให้จิตของเราเนี่ยออกนอกผิวหนังออกนอกหนังนี่ไม่ให้ออกเลยอย่างกรณีที่นึกถึงลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กตับไตไส้พุงเนี่ยคล้ายๆกับกำหนดอสุภสัญญา <c oughs> ใช่ไหมครับว่าให้มันดูแบบว่าแบบว่าไม่ไม่งามความ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันก็คือถ้าจะพูดเป็นสัญญาคือเวลาพระเจ้าจะกําหนดบทเปนชนะมาระวองเนื่องมาจาว่าเนื่องจากความเป็นผู้เจ้าเนี่ยให้ความงดงามของการบัญญัติมันจะต้องมันต้องครบถ้วนกระบวนความทั้งถูกต้องหมดทุกทุกตอนใช่ไหมพูดมาหลายถูกหมดเลยอย่างถ้าพระไพ่บูรณ์จะพูดเนี่ยเราพูดถึงลําไส้เล็กเฉยเเราพูดถึงว่าเข่าเฉยเเราพูดถึงข้อสอเฉยเเราพูดถึงนิ้วชี้เฉยเฉยแม้ถ้าเรา ถ้าเราเป็นพระเจ้านะเราก็จะต้องรายยาตั้งแต่ตั้งแต่เบื้องบนถึงเปื้อนเท้าขึ้นมาตั้งแต่ผมคนเล็บฝันหนังไล่หมดเงี้ยนะทุกๆครั้งที่เราพูดถึงเงี้ครับเพื่อมันจะได้ถูกต้องตั้งแต่เบือเบ้องต้นเบื้องเบื้องกลางเบื้องปลายเนื้อไหมแต่ทั้งหมดนี้ก็คือว่าไม่ให้ออกนอกกายอให้อยู่ในกายนี้ครับจะคิดถึงว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันพูดอย่างนี้กับฉันวะโนโนโนนไปสะดือคิดถึงสะดือก็แล้วกันวะไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น วันเดียวคนนี้มุูยู่าือทำไมข้ามันพูดอย่างนี้บายนู่นเลยคิดถึงหลังเอาคิดถึงกระดูกสะบักอย่างงี้นะค<ร>ิดแล้วไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นอ<ร>อืมืมมครับคิดถึงกระดูกสะบักแล้วไปคิดถึงว่าคนนั้นมันเคยมาตีเราอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อ ไ, ไปไปคิดถึงโอ้ยคิดถึงอะไรก็สักอย่างหนึ่งอะหมอธภงที่เป็นอยู่ในกายอยู่ในเวทนาก็ได้<ร>กายเวทนาจิตธรรมได้ทั้งหมด อื <Ừ. S 2> บิดาที่เป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก, ก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปมีการปรุงแต่งในทางไม่ดีให้ได้ไม่เกิดขึ้นอืมอย่าง ก, กรณีของเวทนาเนี่ยก็คือสุขทุกข์อุเบกขาอย่างถ้าสุขเนี่ยเราเราจะทําให้เราติดสุขไหมครับแบบพิจารณาคือการสุขนี่หมายความว่าไงล่ะหมายถึงว่าเออสุขหมายว่าเราเออเล่นกับลูกแล้วเราพอมาพิจารณาแล้วก็เออ พิจนเวทนาในหมวดของสุขอย่างเงี้ยจะทําให้เราก็ไปปรุงแต่งคือมันหมายถึงว่ามันมันจะไม่ดีไหมครับท่านไม่ดีนี่คือถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากกรรมนะอันนี้ออมันก็ไม่ดีตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ดีลเล่นลเล่นบ้องเบลกับลูกอย่างเงี้ยจะเอแจะเอเอาตาซ้ายเหลือข้างล่างเอาตาขวาเหลือข้างบนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาลิ้นแตะจมูกแล้วก็ เล่นกับลูกอย่างนี้ลูกก็หัวเราะเอออั <_ C os> กเราก็เราก็มีความสุขใช่ไหมอันนี้มันเป็นความสุขทางกามชัดๆอ๋อความสุขทางกามแน่นอนครับ เ, เราถ้าเรามีเวทนาที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะความสุขหรือทุกหรือไม่สุขไม่ทุกที่เกิดจากสัมผัสทา ง, ทางๆหูชุมูุลิ้นกายตรงเนี้ยก็เป็นความสุขที่เกิดจากกามนะเป็นอามิเป็นอาิอา <_ S 2> ใช่อ๋อเราจะเน้นคือ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เป็นสุขจากสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมครับชั้นหนึ่งสองสามี่แล้วครับนี่ใช่ไหมครับสุขที่ที่ท่านสรนเสริญใช่ไหมครับคือห ม, มายความว่าไอ้เจ้าความรู้สึกเวทนาเนี่ยนะครับถ้าเรามีสตริระลึกถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือในตอนท้ายของแต่ละหมวดเนี่ยก็คือให้ปล่อยวางอืครับนะปล่อยวางแม้เวทนานั้นปล่อยวางแม้หัวข่านั้นปล่อยวางแม้ข้อสอบปล่อยวางแม้นิ้วชี้ลาไส้นเล็กลำใหญ่ลำไส้ใหปล่อยวางหมดครับ ก็คือปล่อยวางตรงนั้นด้วยนะรตรงนั้นเราก็ไม่ยึดถือด้วยตัณหาและทิิรูปคขำไม่คือมีความแค่รลึกรู้ว่ากายของเรามีอยู่เท่านั้นเองมีความระลึกรู้ว่าเวทนาของเรามีอยู่เท่านั้นเองอแล้วก็ทำไงวางซะปล่อยปล่อยวางซะออครับวางซะตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นด้วยเราก็จะมีความสบายใจนะวินาทีนั้นผู้นั้นก็จะได้สบายความสุขที่เกิดจากในภายในตรงนั้นนะ่ะ ออืครับครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างเช่นเวลาเราฟังเพลงอย่างเงี้ยครับอีอย่างอาตมานั่งรถทุกสิบไปไใช่ไหมมันเดินเปิดเพลงให้ฟังมันเปิดเพลงให้ฟังนี่มันก็เปิดไปแล้วเขาไม่ว่าอะไรครับมันเปิดเพลงที่เราเคยชอบใช่ไหมอ๋อสัญญาอ่าสัญญาเก่าก็คลิกสินกก่นครับโอ้เพลงนี้เราเคยชอบว่ามันไม่ใช่เคยชอบธรรมดาเราเคยเล่นได้ด้วยเราเล่นดนตรีได้ใช่ไหม เราเคยเล่นดนตรีเพลงนี้ได้ต่อไปมันต้องเล่นโน้ตคีย์นี้แม่รู้สึกชอบปุ๊บเพราะเวทนาเกิดทําไงเอมันก็ดับไปคือสติเนี่ยมันจับปุ๊บใช่ไหมกลับมันจะลุ่มหลงเพลินเพลินยิน ด, ดีไปใช่มอืมอเวทนาสติก็ระลึกว่าโอ้ระลึกถึงอะไรระลึกถึงลมหายใจแล้วก็วางวางเสร็จปุ๊บก็เฉยสบายอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมันเอาอีกมันจะเกิดอีกเวทนานี้มันจะเกิดอีก ครับคือความวิญญาณอันเล่นไปตามความระลึกของเราเนี่ยมันจะเคยไปตามสัญญาเก่าๆที่เราเคยมีมาคใช่ไหมผู้ที่พอได้ฟังปุ๊บจับได้ว่างจับได้ว่างเนี่ยอันนี้ก็จะสบายเราก็จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะไม่ขอฟังอีกเอออย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นนะเพลเสาร์มันจะว่า ย, ยังไงเราก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรมันจะเปลี่ยนขึ้นก็ไม่เป็นไรออไม่ไมเป็นเพลงอื่นเราก็ไม่ว่าอะไร สบายรับอย่างนี้นะคนที่จะทำอย่างนี้ได้คือคุณจะต้องในลักษณะว่าฝึกมาพอสมควรนะนะ ค, นคือคไม่ไม่ไหลไปําบัตรสะมีอะไรก็ค่อยๆพิจารณาดูไปข่าวสารอะไรต่างๆเนี้ยไม่มีอุปทานที่จะยึดในสิ่งนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าถ้าเราฟังแล้วเราห้าเพลงโอ้ oh, ชอบนี่ แมเกิดอุบัติเหตุเหมือนถูกทดสอบนะครับท่านอแค่กระดิกเท้าตามนี้ก็อาจจะแย่พอแล้วะนเ้นคิดว่าในเรื่องของพอดแคสต์พิโยธรรมะ .com ที่ตอนนี้เนี่ยนะมัก็จะมีการตรีมการอยู่หลายๆอย่างในช่วงนี้เราก็อากาศมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ค่อย ระหว่างรักษาสุขภาพด้วยเหมือนกันครับยวฝนตกแดนออกอะไรต่างมันเป็นไปตามอำนาจกิเลสคนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็การฟังธรรมะเราก็ค่อยๆทําอยู่เรื่อยๆย้า้ขาดเมื่อไหร่ที่เราเผลอเนี่ยนะเหมือนที่ผมกิเลสเนี่ยมันเอาเราอยู่ตลอดเวลาปุโรหิตบอกว่าอย่าเป็นผู้ที่จงเป็นผู้ที่เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยโทษภัยเล็กน้อยเนี่ยมันมันเอาเราได้แบคทีเรียตัวนิดเดียว โอ้โหมันอัดเราจนจนแย่เลยนอนโซมไปเลยรหรือว่ามะเร็งอ่ะเซลสองเซลมันแพร่ขยายจนกระทั่งโอ้โหหลามไปทั่วตัว ต, ตายเลยเนะีมันนี่แหละเห็นเห็นโทษโทษนิดเดียวเรามองข้ามไปนะไอ้พวกสัตว์เซลเดียวซิงเกิลเซลออร์แกนิซึ่มพวกเนี้ยมันทําให้เราตายได้นะีใช่ครับมันไม่ใช่ว่ามีดภยัยหรือว่าภัยจากภายนอกอะไรเลย คนฆ่าเราตายปืนยิงตายว่ามันยังน้อยกว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ทั้งเยอะครับมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับออย่าประมาทอย่าประมาทค่อยๆรักษาตัวไปเช่นเดียวกันกับเรื่องคุณสมรธรรมแล้วก็อกุศลธรรมเราต้องเป็นผู้ที่ทําความเพียรอย่างยิ่งในการที่จะละอกุศลธรรมทำความเพียรอย่างยิ่งในการที่จะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นครับให้ทําอยู่อย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเราก็จะสบายใจอยู่ได้อย่างนี้นะครับ แล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะแล้วก็ถ้าคุณหมอรัตพง์มีประเด็นอะไรจะนํามาคุยกันก็สามารถนํามาคุยกันได้ในครั้งต่อไปครท่านผู้ฟังก็เหมือนกันเหมือนกัน<ม>ถ้านผู้ฟังก็มีคําแนะนําหรือคําถามข้อสงสัยประการใดก็ส่งมาที่เพียวธรรมะดอทคนะครับครั บ, รบก็ในตอนนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบรุ่นอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกจังหวัดอุดรธานีและกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดี